โลกที่ไม่มีศาสนาต้องเป็นโลกที่เดือดร้อนอย่างไม่มีปัญหาคนไม่มีศาสนาก็เช่นเดียวกันแยกมาเป็นโลกแล้วมาเป็นคนเป็นลายๆเริ่มให้ความเป็นธรรมไม่มีอัน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 ผู้ที่มุ่งต่อเหตุต่อผลต่อทำตามพระองค์ท่านจริงๆก็ยอมรับผู้ที่มีสิ่งกีดขวางมีพิษมีภายุภายในจิตใจก็ไม่ยอมรับก็เป็นกรรมของแต่ละคนละคนผู้ที่ไม่ยอมรับเอาเลยนะั่นก็สูดวิสัยเรื่องให้ความเป็นธรรมจากท่านทุ้สิ้นกิเลส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 หรือแฝงออกมาเพราะไม่มีมีแต่ทาล้วนๆทำล้วนๆ น, นั้นให้ความเสมอภาคให้ความเป็นธรรมสม่ําเสมอไปหมดแม้แต่สัตว์ดุราา้ายฉานตัวเล็กๆขนาดไหนก็ตามทั้งที่ท่านบรรดิตห้ามไว้ไม่ให้ทําลายสัตว์แม้แต่อยู่ในคันให้ความเสมอภาคมาแล้วตั้งแต่น้นเห็นความชําพันของสัตว์มาแล้วตั้งแต่อยู่ในท้อง แต่ว่าออกมาเป็นตนเป็นตัวเป็นสัตว์เป็นบุคคลให้เห็นอย่างด้วยตาเนื้อของเราอย่างชัดเจนนี้เลยแม้แต่อยู่พัยในคันนึกละเอียดขนาดไหนก็ไม่ให้ทําลายเป็นให้ความสมบูรณภาพการที่มาพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปด้วยอํานาจของจิตหรือความรู้ความเห็นที่เต็มไปด้วยกิเลสนี้ ใครจะว่าเยี่ยมว่ายอดว่าดีประดีขนาดไหนก็คือความเร็วขนาดนั้นนี่มันตรงข้างคงข้ามอย่างนี้ข้อมูลเสียสันกันขึ้นเฉยไม่ใช่เป็นขึ้นมาด้วยหลักธรรมชาติหลักธรรมชาติที่เป็นเองกับสิ่งที่เสียสันขึ้นมานั้นขีดกันศาสนาของพระพุทธเจ้าหรือธรรมอย่างนี้เป็นสิ่งที่สมบูรณ์ด้วยหลักธรรมชาติไม่ต้องไป แัดแปลงแก้ไขอันใดเราพูดถึงส่วนรวมทั่วๆไปทีนิยจนเข้ามาถึงตัวของบุคคลเราแม้เป็นผู้นับถือศาสนาระ ย, ยระยยใดขนาดใดที่กิหทางเหวินจากทมคือสติปัญญาเครื่องไขครวนระยะนั้นวิเลศย่อมแทรกขึ้นมาได้ผลย่อมมีความโดดร้อนให้เห็นอย่างชัดเจนภายในตัวเอง ยิงปล่อยสติสตังไปทั้งวันทั้งคืนคิดไปตามรัถากรรมด้วยแล้วก็ยิ่งไปใหญ่าที่ยับยั้งไม่ได้ถ้ามีสติสตังรือมีปัญญาใกล้ควรต้านทานบ้างต่างกําลังของตนก็พอมีเลือคือพอให้มีความสุขความสงบได้ผู้ที่มีสติมีปัญญามาก <c oughs> มีความเฉลียวฉลาด ในด้านปฏิบัติต่อจิตใจภัยที่จะเกิดขึ้นภายในจิตใจก็น้อยคือชำระได้โดยเด็ดขาดไม่มีภยัยภายในใจเลยคุณนั่นที่ว่าเป็นผู้มีความถูกอันสมบูรณ์นี่แหละคนคนเราเป็นอย่างนี้แม้จะเป็นรูปคนเป็นหญิงเป็นชายเหมือนกันก็ตามแต่ภูมิแห่งความเป็นอยู่ภายในจิตใจมีผิดกันอย่างนี้ ควารู้ความเฉลาดมีลึกตื้นหนาบางต่างกันฐานของจิตก็มีความหน่มล่ำต่ำสูงต่างกันอย่างนี้ทันทีม า, าไม่ให้ประมาทวาสนาของกันและกันแม้เขาเป็นสัตว์ก็ไม่ให้ประมาทวาสนาของเขาว่าเขาเป็นสัตว์เราเป็นมนุษย์มันเป็นไปตามยะถากรรมคือเป็นไปตามกรรมของสัตว์โลกแต่ละรายๆมีตัวเราคนหนึ่งที่เป็นเช่นเดียวกับสัตว์โลก ในญาติเราที่เคยมาเสวยความเป็นมนุษย์อย่างนี้ก็เหมือนว่าเราเรานี่สูงส่งกว่าเขาญาติที่เขาเป็นสัตว์ก็เหมือนกับว่าเขาต่ำต้อยด้อยยึท้าบรรณาสัรยึดธ้านะต่างๆความจริงเขาก็มาเสวยตามกรรมของเขาตามธรรมที่ท่านว่ากรรมนองสัติยิพาจติยาดีดังหินับปณิตังกรรมย่อมจะแน่เกี่ยสัตว์ให้เป็นต่างๆกันคือพระณี้เรือซามต่างกัน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 มันเป็นไปตามเวะละเว้นแต่ผู้ที่ดําเนินจิตใจให้มีหลาะกมีฐานไปโดยลําดับลําดับนั่นจะมีความสูงขึ้นไปเป็นลําดับเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอา ญ, ญาบุคคลตั้งแต่ขั้นโสดาขึ้นไปนี่เป็นผู้แน่นอนต่อความพ้นทุกข์อย่างชาติก็ไม่เลยเจ็ดชาติท่านก็บอกไว้แล้วผู้นี้เป็นผู้แน่นอนที่จะก้าวขึ้นสู่ภูงถุนโดยลําดับนองนั่นท่าน ไม่ได้รับรองว่าเป็นความแน่นอนแน่นอนจึงต้องมีสูงสูงต่าๆเป็นเช่นเดียวกับสัตว์โลกทั่วไปเมื่อเราทราบอยู่จายางแจ่ใจของเราจากทำคำต่อสอนของพระเจ้าที่ทรงที่แสดงไว้ดวยความสัดความจริงเช่นนี้เราจึงไม่วนประมาทในตัวของเราเองเฉพเพอย่างยิ่งเราเป็นนะักปฏิบัติความเข้มแข็ง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 ความเป็นก็ดีความตายไปในวกใดก็ดีที่จะต้องรับสูขรับทุกเป็นเรื่องของเราจะต้องรับโดยสินเชิ ง, งไม่มีผู้ใดจะมาแบ่งสู้แบ่งรับรู้แบ่งสันปันส่วนให้มีความเบาบางจากเราไปบ้างที่อันเป็นความทุกข์อย่างนี้ไม่มีเราจรึงควรเข้มแข็งพิจารณาแก้ไขผนตั้งแต่บัดนี้ยิดเป็นสิ่งที่ชำระได้ชำระสัสางให้เป็นของสะอาดได้ จากมุงทินทั้งหลายเพราะธรรมะทั้งมวลนั้นถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับน้าที่สะอาดสระลับชำละสิ่งสปกปรกโสโครกทั้งหลายนั่นแหละหากปัรมะชรละสิ่งสปกปรกโสโครกภายในจิตใจของสายโลกไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้า ก, ก็ดีสาวกอรหันต์อรหันต์ก็ดีไม่มีองค์ใดที่จะเป็นผู้สะอาดปราศจากมุทินโดยความบริสุทดได้เลยคือถึงความบริสุทดได้เลยต้องเป็นผู้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 เวลามีกําลังบางชาก็เหมือนจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนๆกันหมดอเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เหมือนจะมีกําลังบางชาต่อไปอีกซึ่งเหมือนก็จะล้มจะตายไปในขณะนั้นแล้วมันก็ฟื้นไปได้แตงโลกอันนี้จังเป็นอย่างนี้นอกจากบรรจุวิสัยแล้วมันก็ตายได้ด้วยกันทุกคนกําลังบางชาของทางกายเป็นอย่างหนึ่งกําลังบางชาของจิตเป็นอย่างหนึ่งเวลานี้เราต้องการกําลังทางด้านจิตใจให้มีความเข้มแข็ง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 หากเราไม่ได้ชำนาญะ่าสางหรือสติปัญญาของเราไม่ทันเราก็สิ่งเหล่านี้ก็จะพัวพันมัดกันอย่างแน่นหาทางออกไม่ได้กายทุกใจก็ทุกเนี่ยกายร่างกายทุกส่วนไหนใจก็ทุกไปหมดทั้งดวงเนี่แม้จะ ร, ร่างกายจะไม่ทุกไปหมดทั้งตัวก็ตามแต่ใจจะทุกไปหมดทั้งดวงไม่ได้เป็นแบบที่ว่าร่างกายเจ็บส่วนนั้นจิตก็มาทุกส่วนนี้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 อิจไม่มีสติอิจไม่มีปัญญากระทบมากน้อยเพียงไรก็ตามจะต้องสังสมทุกข์ขึ้นภายในตัวอย่างมากมายและอย่างรวเดเรืวอีกด้วยแต่กิจที่รับการอบรมไม่เป็นอย่างนั้นเวลาเจ็บขุนที่ทรงขึ้นที่ตรงไหนภายในร่างกายส่วนต่างๆก็ทราบตามหลักของปัญญาที่ได้พิจารณาไว้แล้วอันนี้แสดงตัวผิดปกติขึ้นมาอาการนี้แสดงผิดปกติขึ้นมาอย่างนี้มีความเจ็บความทุกขเป็นอย่างนั้น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 แต่จิตต้องท่านทนได้สบายไม่แล้วไม่ต้องทนนไงถ้าพูดถึงว่าทนตามความสมมุติจิตต้องท่านทนได้ไงไม่ทุรนทุนลายไปตามถ้าจะว่าทนนะแต่มันขัดที่ว่าทนจิตต้องท่านไม่กระทบกระเทือนว่าอย่างนั้นถู ก, ถกต้องไม่มีความหวั่นไปตามผู้กรเวทนาที่เกิดขึ้นภายในร่างกายจยางมากจยางน้อย ร่างกายจะทนมไม่ไหวก็เศร้าอาจจะทนมไม่ไหวจะแตกก็เศร้าอาจะแตกแ ต, แต่จิตไม่แตกนะจิตมีความสม่ำเสมอตัวตลอดเวลาทั้งทิเวทนาเกิดขึ้นทั้งทีิเวทนาตั้งอยู่ทิเวทนาดับไปหรือไม่เกิดขึ้นมีความเป็นปกติอยู่เช่นนั้นจึงชื่อว่ารู้รอบด้วยปัญญาเนี่ยตรงนี้อะตอน เราเรื่อวต่อนื่องสำคัญมากเราพิจารณารือเราภาวนามานานแสนนานมากมาเพียงไร ห, หเราสังเกตดูความรูม้ความฉลาดของเรากับทุกขเวทนาที่ปรากฏขึ้นมากน้อยอินเราเป็นอย่างไรเราทราบตรงนี้ถ้าสติปัญญารอบแล้วทุกไม่ทุกเกิดไม่เกิดก็ตามมันทราบอยู่เป็นปกติอันนั้นไม่มีปัญหา ถึงการจะไปก็ไปเลยพระอรหารท่านจึงไม่ลาบากในเวลาตายเหมือนปุถุชนทั้งหลายคุอชนคนสามัญเหล่านี้หดีลำบากมากเป็นทุกข์เป็นร้อนภายในร่างกายยังไม่แล้วความไปทุกข์ร้อนภายในยจนิตจรีงๆมันมากม า, มากหลายกองเป็นไฟทั้งดวงเผาในเวลาความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในตัวมากๆก็ทาให้ลาบากออกไปข้างนอก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 ยังแต่รู้ตามความจริงของธาตุของขันที่มันแสดงตัวขึ้นมามากน้อยในเรื่องทุกเวทนาจะถึงข่าวแตกข่าวดับจริงจิงขั้นกอบทราบชัดๆไม่กังวลวุ่นวายอัแต่ก็แตกแตกก็อยู่มั่นก็คือธาตุอันเดียวกันนี่แตกไปแล้วมันจะไปไหนก็เป็นเรื่องของมันขาดความรับผิดชอบไปแล้วพ้นจากความรับผิดชอบไปแล้วคิดไม่ต้องรับผิดชอบกับสิ้นได้เลยนั่นแหละท่านว่าอะนุ ป, ปาทิเสสานิพานหากังวลไปหมดในเวลาที่มีชีวิตอยู่นี้ ก็ต้องได้รับทราบไปตลอดเวลาที่ประสาทชช้อยู่ในส่วนร่างกายส่วนต่างๆทั้งหูทางตาทางจมกูกทังลิ้นทางกายตลอดถึงทางใจก็ต้องลงคิดได้ปรุงเมื่ออาศาัยกันอยู่ก็เป็นอย่างนี้จึงเียว่าอาสาุปาิเสสนิพานคือถึงพรมบริสุทธิ์บมุตไปแล้วแต่ธาตุขันนี่มันไม่บริสุทธิ์กับเรา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 ร่างกายก็เป็นส่วนทุกเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะพราะร่างกายผิดปกติก็เป็นส่วนหนะึ่งกิจที่รู้ก็เป็นส่วนหนึ่งสติปัญญาที่จะนํามาใช้เพื่อแก้ไขสิ่งเหล่านี้และเพื่อกําจัดปัดเตาสิ่งเหล่านี้ไม่มาฆ่าข้าวกับกิจก็เป็นเครื่องมือที่เยี่ยมตามหลักธรรมที่กานสอนไว้แล้วถนะ้าให้พอกับความต้องการ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 ว น, วนแล้วไม่มีการไม่มีเวลาไอ้เรื่องการเรื่องเวลานั้นเป็นความคาดความหมายของจิดซึ่งก่อความกังวลให้ตนต่างหาความตายจริงเขาก็ไม่มีการไม่มีเวลาของเขาเขาไม่มีกฎมีเกณฑ์ตั้งเอาไว้เหมือนมนุษย์เรามนุษย์เรานี่ชอบตั้งกฎตั้งเกณฑ์นั้นอย่างนั้นนั่นอย่างนี้แล้วสิ่งที่ตั้งทําความสําคัญมันหมายหรตั้งกฎตั้งเกณฑ์นั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสิ่งที่กงังวลก่อความกงวลให้เกิดตนทั้งนั้น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 จิตก็มีความผาสุขสบายโดยไม่ต้องมีการมีเวลาเช่นเดียวกันอย่างจิตที่บริสุทธิ์ด้วยแล้วอาการิีกรจิตไม่มีอะไรเข้าไปแทรกเลยให้เราคิดตรงให้ตกทุกสิ่งทุกอย่างชื่อว่าผู้ปฏิบัติธรรมตรงตกที่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราอยู่ตลาดเวลานี้เป็นสิ่งสำคัญมากกว่าอื่นเรื่องสมบัติเงินทอง ข, ของคนนั้นคนนี่ญาติมิตร สหายอะไรนี้มันไกลแสนไกลไอสิ่งที่เกี่ยวพันกับตนเองอยู่นี้คือขันห้าร่างกายกับจิตที่อยู่ด้วยกันนี่เป็นสิ่งสำคัญต้องเรียนตรงนี้ให้ทันกับสิ่ง น, นี้ให้รู้ให้รู้ตามความจริงของมันอย่าไปขัดความจริงถ้าขาดความจริงแล้วก็ฟื้นกิเลสขึ้นมาเหมือนกับปลูกกิเลสขึ้นมาให้เป็นต้นเป็นลำแล้วก็มาราวีเรานั่นแหละขันมันเป็นเช่นไร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 ถ้าจิตแล้วไม่หลงก็เป็นทุกข์ที่ขันหานั้นจิตไม่เป็นทุกข์แน่แวเวทนาคือสุขทุกข์เฉยๆท่านก็นเรียกว่าเวทนาขันนี่เราหมายถึงกันห้าสัญญาขันคือความจดจําสังขารขันคือความปรุงวิญญาณขันคือความรับทราบจากสิ่งที่มาสัมผัสทางตามมงงหูจมูกลิ้นกายรวมแล้วท่านเียกว่า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 อบตัวพิจารณาเวทนารู้เวทนาไม่ร้อนไม่ทุกข์นี่มีเครื่องป้องกันจิตที่บริสุทธิ์เรียกว่ามีเครื่องป้องกันเต็มตัวทุกขเวทนาที่จะเกิดขึ้นเหมือนกองไฟทั้งกองก็าตามจิตก็เป็นจิตล้วนๆเป็นความสุขล้วนๆอยู่ภายในตัวไ ม, ไม่เข้าคับไม่ในค่าคร้าวกันเลยนี่จึงหวาต่างอันต่างจริงเป็นอย่างนี้นี่ตามหลักความจริงแท้เป็นอย่างนี้น สิ่งที่มันปีนหลักความจริงก็คือว่าอะไรเกิดขึ้นก็เอื้อมมือไปจับอะไรเกิดขึ้นก็เอื้อมมือไปจับไปยึดไปถือมันก็เหมือนกับเอื้อมมือไปจับไฟมันก็ร้อนเข้ามาสู่ที่ใจร้อนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความหลงมากหลงน้อยยืดมากยึดน้อยถ้าไม่ยึดเสี ย, เ, สยเลยด้วยอํานาจของปัญญาที่รู้รอบขอบจิดหมดแล้วหรือจิตบริสุทธิ์ล้วนแล้ว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 อันนี้บอกความตายความเป็นมันเท่ากันถ้า ม, มีอะไรผิดแปกต่างกันแล้วเป็นธรรมดาธรรมดาเรารไม่รู้ให้เห็นตามความเป็นเป็นอย่างนั้นแต่ปีนเปลี่ยวแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่โตใหญ่นะขณะที่เกิดก็ใหญ่ดีใจโอ้โหลูปเราเกิดหลานเราเกิดเป็นผู้หญิงแต่ต้องการผู้หญิงเวลาว่าอุ๊ยดีใจมากแต่ต้องการผู้ชายแล้วหลานผู้ชายดีใจมากไม่ห่าน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 คือกัตายก็เท่ากันนะ เ, เรียนทำเรียนดังนี้ปฏิบัติทำก็ปฏิบัติที่ตัวเราเรื่องมันอยู่ที่ตัวเราเรื่องทุกข์ก็อยู่ที่ตัวเราสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ก่อให้เกิดทุกข์ก็อยู่นี้ที่ตัวของเรามักคือข้อปฏิบัติจะกําจัดความลุ่มหลงอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์กนี้ก็อยู่กับตัวของเราเมื่อกําจัดได้มากน้อยนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับไปเป็นลํานําาดับ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 สบายแสนสบายนะนความมีศาสนาอยู่ภายในตนเรามีความหวังเต็มประตูจากการปฏิบัติของเราความไม่มีศาสนาประจำตนมีหาความหวังไม่ได้ก็<น> อ, อาศัยสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปตามเหมือนกับโลกทั่ ว, วไปหรือเหมือนกับสัตว์ทือเขาอาศัยจริงยากจริงอะไรอะไร ตามอาหารที่ถูกกับวิสัยของเขาพอตายไปแล้วก็มาหมดความหมายไม่ทราบจะหวังอะไรมนุษย์เราฉลาดกว่านั้นนี่เวลาเราอยู่เราก็มีบ้านมีเรือนมีพ่อมีแม่มีสมัตเงินทองเข้าของมองดูอะไรก็มีแต่สิ่งนั้นถึงนั้นถ้าจิตใจของเราไม่มีกฎมีเกณฑ์ไม่มีหลักยึดแล้วมันก็ว้าเวเยมองก็เห็นแต่สิ่งนั้นทีนี้มองเข้ามาจิตนี่จะอาศัยอะไรต่อไป มันก็หาทางอาศัยไม่ได้เนี่ยเพรนาะฉะนั้นคนเราเวลาจะล้มจะตายเกิดความว้าวุ่นขุ่มัวมากมายก็เพราะจิตไม่มีหลักยึดภายใน ใ, นใจไปยึดสิ่งภายนอกกลัวจะตายพัดพลาดจากสิ่งนั้นพัดพลาดจากจสิ่งนี้เลยยุ่งไปหมดและก็ความวุ่นวายให้กับตนในวราระสุดท้ายก็ไปใหญ่จิตที่มีศาสนาจิตที่มีทำเป็นเครื่องปกครองจิตนี้ทำเป็นเครื่องสนับสนุนเพราะตนได้บาเพ็ญไปแล้วมันมีความอบอุ่นอยู่ภายในตัวสิ่งที่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 อาศัยทั้งส่วนธาตุส่วนขันธ์มือสัตวิวาลทุบบัดเงินทองก็ได้อาศัยไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่เราจิตใจก็ได้อาศัยคุณงามความดีซึ่งเป็นคุณอยู่แล้วหลบลงก่อนทั้งโลกนี้และโลกหนาเราไม่เสียธาตุเสียทีสมความเป็นมนุษย์ที่ฉลาดกว่าบรรดาสัตว์นี่มนุษย์เราสูงกว่าสัตว์สูงอย่างนี้เองมันจะสูงมาเพียงฉลาดแต่ไม่สามารถที่จะหาความจุให้แก่ใ จ, ใจข้างบนอันสําคัญนี้ได้ ต้องให้ได้ทั้งสองอย่างที่ว่าเป็นผู้ชายหลานนะการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควร